ลองพูดตรงๆดูใช่ไหมเจอหน้ากันถ้าอย่างทุดปลารถทำมากันจริงๆเนะี่ยถามเอ๊เมื่อไหร่จะตายสมมติอย่างนี้โอ้โหที่โกรธเลยนะคำคำนี้หูฟังไม่ได้เลยนะี่ยเอ๊ะทำไมเรียกงนะั้นเอ๊้อยู่มานาน้เมื่อไหร่จะตายสักทีสมมติอย่างนี้โอ้โหใช่ไหมคําพูดอย่างนี้มันมันฟังแล้วมันมันหูจะไม่ชอบจอเจ้าโมก็เหมือนอะไรเหมือนนก นกในโพผินบินไปในอากาศก็ชอบกลิ่นที่ดีๆชอบกลิ่นที่ดีๆด้วยเนี่ยกลิ่นหอมๆกลิ่นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยในจมูกจะชอบจะชอบอย่างไงถ้าเป็นกลิ่นที่ไม่ดีในทุกคนก็เบนหน้าหนีรินนี่เหมือนอะไรฮะลินน่ะเหมือนกับสุนนักบ้านมันกระสุนนักเนี่ย มันจะมีปกติว่าน้ำลายจะไหลตลอดลิ้นของพวกเราทั้งหลายก็คือปลาท่นาที่จะได้รสได้สัมผัสรสเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วไอ้เรื่องการกินอาหารเนี่ยเรื่องการกินอาหารทานอาหารหรือว่าฉันอาหารกันเนี่ยนะถามว่าถ้าไม่ที่จริงพวกเราปลาท่นาให้ผ่านลิ้นแปะลิ้นเราแค่นั้นแหละถ้าเราเจาะส่วนอื่นให้เข้าไปสู่กระเพาะทั้งทั้ที่มันเข้าไปได้เดี๋ยวเราก็ไม่ชอบเนี่ย เราไม่ชอบจริงๆทั้งๆ ท, ที่อิ่มด้วยนะเพราะเขาจะเจาะจากจุดคอลงไปแล้วใส่ให้ถึงกระเพาะเลยหรือให้น้ําเกลือเนี่ยมันก็อยู่ได้นะมนุษย์ยแต่นะแต่โอ้ไม่ไหวไม่เอาแล้วเราจะต้องสรรรถดีๆด้วยของดีๆงามๆด้วยนะอาหารเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเค้กเป็นอะไรต่างๆสรารพัดเดี๋ยวนี้เรียกกันแทบไม่ถูกเย่อะๆไปหมดวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้แปะลิ้นผ่านก็ไปสู่กระเพาะแค่นั้นเอง ให้ได้ถูกลิ้นเแี่นั้นเองไมไ่มีอะไรมากมายไปกว่านนะั้นเพราะไปในกระเพาะมันก็ไม่ได้แยกเขาไว้นะวันนี้ส่วนนี้ใส่เค้กส่วนนี้ใส่หมูส่วนนี้ใส่เป็ดใส่ไก่ใส่น้ําพริกมันก็ไม่ได้แยกไว้อย่างนั้นแต่ว่าโดยโดยการที่ลิ้นมันปราถนาเขาจะได้สัมผัสยังไงไ ด, ได้ได้แตะลิ้นแล้วก็ได้ผ่านเข้าไปแตะลิ้นแล้วก็ผ่านเข้าไปถ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาใช่ไหมให้พิจารณาว่าอาหารเนี่ยบริโภคเพื่ออะไร ก็เป็นปัจจัยในการเจริญกุศลอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นอย่างนั้นส่วนในด้านของใจเนี่ยด้านเหมือนเหมือนเหมือนกระลิง่งมันไม่นิ่งจริงๆใจนั้นที่ไม่นิ่งนี่แหละพระองค์จึงสอนให้มีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นจุดทําให้จิตนั้นนิ่งถ้ามันถ้าให้มันจะดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาถามว่าดิ้นรนยังไงอย่างเช่นบางคนบอกโหยบวชนี่ดีนะ อยู่วัดนี่ดีนะสงบดีบางทีไปถามสมภารเจ้าจวัดบางที่บางแห่งบอกโอ้โ ห, โโหปวดหวัวจะตายอยู่แล้วนี่สินเต็มหมดบวช ด, ดีคนเนี่ยเคยเป็นสมภารมารู้เนี่ยรู้รู้รสชาตินี้สินจะมานั่นหรือบวช ด, ดีมันไม่ใช่แล้วคําว่าบวชเนี่ยดีโดยหลักเน่ยดีเพราะมันมาจากคาว่า เว้นเว้นเว้นกายวาจาใจไปในทางที่ชั่วเว้นเพื่อจะมาประพฤติกายวาจาใจในทางที <aj robotic>. ่ดีความหมายเขาดีไงเฉเพาะว่าบวชเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าหากว่าไม่เข้าถึงสัจจะหรือความจริงนี่เป็นไปในลักษณะอย่งนั้นจิตไม่ตั้งมั่นจิตก็ซัดสายไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ว่ารูปเอยเสียงเอยกลิ่นเอยรสเอยสัมผัสเอยเนี่ยมันมันไปทั่ว ลักษณะอย่างนั้นนะ่ยเพราะขาดเมตตาทีนี้เมื่อเจริญเมตตาอบรมเมตตาแล้วเนี่ยจิตก็จะสงบจะเข้าถึงความตั้งมั่นได้เร็วเมื่อจิตเข้าถึงความตั้งมั่นได้เร็วประการต่อมาก็คือมีหน้าตาผ่องใสเนี่ยคนที่มีเมตตาอบรมเจริญเมตตามากๆเนี่ยผ่องใสกายวาจาหรือว่าหน้าตาจะผ่องใสจริงๆไม่คุณมัวไม่เศร้าหมองนี่จะเป็นอย่างนั้น แล้วประการต่อมาก็คือไม่หลงตายหลงทาการกิริยาเนี่ยยังไม่แทงตลอดอริยสัจเจธรรมทั้ง4ี่ยังไม่สามารถแทงตลอดในทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคเนี่ยโอกาสที่จะเป็นปัจจัยแห่งการเข้าถึงสุคติหรือพรมโลกเนี่ยได้ถ้าหมายถึงความถ้าหมายความว่าเป็นการเจริญที่ทําให้ตนเองนั้นได้นะได้สมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งสมาธิท่านจัดเป็นในชั่นของ คณิกาสมาธิอุปจารสมาธิและก็อปปนาสมาธิเมตตา น, น, นั้นได้ถึงอปปนาสมาธิถ้าสามารถอบรมและเจริญสามารถทําฌานสมาบัติหรือฌานให้เกิดขึ้นกับตนเองได้สามารถจะเข้าอยู่ในองค์ฌานนั้นได้นานๆเป็นอย่างนั้นทีนี้ความที่เราจะเลิญเมตตาเนี่ยถามว่าเราจะทํำยังไง เมื่อเรารู้อ น, นิีงสงรู้อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเนะี่ยถามว่าเราจะเจริญยังไงเพราะว่าการที่เราเจริญเมตตาเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจเจริญไม่ถูกจริงๆเราจะทำยังไงถ้าจะเจริญเมตากันนะท่านบอกว่าการจะเจริญเมตตานั้นเนี่ยลำดับแรกเนี่ย ท่านในพิจารณาในอันที่จะเจริญเมตตาโดยการแผ่ให้กับตนเองก่อนแผ่ให้กับตนเองแผ่ยังไง <c oughs> เคยที่เคยแผ่เมตตาให้ตนเองเจอนึกไหมแผ่เมตตาให้กับตนเอ ง, งเนีเนะ่ที่จริงท่านสอนว่าคนที่เกลียดมากนั่นคนหนึ่ง คนที่รักมากนั้นจำพวกหนึ่งแล้วคนที่เป็นกลางนั้นจำพวกหนึ่งแล้วก็คนที่เป็นเวรกันหรือเป็นศัตรูกันนั้นพวกหนึ่งบางคนเราเกลียดแต่ไม่เป็นศัตรูมีนะใช่ไหมเราเกลียดแต่ไม่เป็นศัตรูกันเล้คือเจอหน้าเราไม่ชอบน่คือคนที่เราเกลียดและคนที่เรารักมากโอโบางคนเรารักมากให้คิดดูแล <c> ้ว <hã> อาจจะรักพ่อมากรักแม่มากรักลูกมากรัก สามีภรรยาหรือรักใครต่างๆเนี่อรักมากใ น, นคนที่รักมากนั้นอย่างหนึ่งแล้คนที่เป็นกลางๆที่เขาเรียกมัชัด ต, ตาบุคคลคือเราเห็นก็เฉยๆไม่มีอะไรอย่างนี้ก็จําพวกหนึ่งได้พวกหนึ่งคือคนที่เป็นศัตรูกันหรือคนที่เป็นเวรกันถามว่าในสี่จำพวกนี้เราจะแผ่เมตตาให้กับใครเมื่อเราเข้าใจเรื่องเมตตาแล้วเนี่ยเราจะแผ่ให้กับใครท่านบอกว่าในสี่จำพวกนั้นให้หยุดไว้ก่อน ลำดับแรกจริงๆท่านให้แผ่เมตตากับตนเองแล้วถ้าแผ่เมตตาให้ตนเองนั้นจะบริกรรมหรือจะใส่ใจยังไงก็รใส่ใจการใส่หรือการพิจารณาให้ตัวเองดีๆแล้วต้องน้อมใจพิจารณาตลอดนะไม่ใช่ครั้งเดียวเราจบเนี่ย น, น้อมใจพิจารณาตลอดแต่ต้องน้อมใจให้จิตประกอบไปด้วยเมตตาด้วยทำในลักษณะอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเจริญกรรมฐานที่เป็นเมตตาแล้วก็แผ่ให้กับตนเอง ถามว่าทําไมต้องแผลกันตนเองก่อนเพราะว่าเอาตนเองเป็นเครื่องเปรียบเทียบธรรมดานี่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยรักสุขเกลียดทุกทุกประเภทเป็นอย่างนั้นหมดไม่ใช่ว่าเฉพาะบุกมนุษย์เท่านั้นสัตว์ทุกจําพวกเป็นอย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลฉานไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆล้วนจะต้องรักเกลียดแล้วเอารักสุขละเกลียดทุกทําในลักษณะอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าจเจริญกรรมฐานที่เป็นเมตตาแล้วก็ แพ่ให้กับตนเองถามว่าทําไมต้องแผ่ให้กับตนเองก่อนเพราะว่าเอาตนเองเป็นเครื่องเปรียบเทียบธรรมดานี่สัตว์ทั้งหลายเนี่อลักสุเกียรติทุกทุกประเภทเป็นอย่างนั้นหมดไม่ใช่ว่าเฉพาะบุกมนุษย์เท่านั้นสัตว์ทุกจาพวกเป็นอย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลฉานไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆล้วนแต่จะต้องลักเกียรตเออรักสุเกียรติทุก พิจารณาการน้อมจิตเป็นไปในลักธิเสียอย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญเมตตาอย่างนี้นะเขาเรียกเจริญเมตตาทีนี้เมื่อเจริญเมตตาอย่างนี้จนถึงความช่ำชองและชํนานาญแล้วเนี่ยนั่นแหละต่อไปจึงไปพิจารณาไปแผ่เมตตาไปหาให้กับบุคคลที่เรารักโดยปกติธรรมดาก่อนเนียแล้วก็จึงแผ่เมตตาไปให้คนที่กลางๆง แผ่เมตตาไปให้กับบุคคลที่เราเกลียดเราไม่ชอบไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นปัญหาถ้าแผ่ไปแล้วเนี่ยมันมีมันมีคนจีนอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่เ็าบอกว่าเออให้ให้แนะนำพระท่านสอนเนี่ยว่าใ ห, ให้ให้แผ่เมตตาที่นี่ว่าจะบอกว่าคนคนอื่นน่แผ่ได้ ก็บอคนอื่นน่แผ่ได้แต่เราขอเว้นทุกคนได้ไหมถ้าลักษณะอย่างนี้ก็ถ้าแผ่ไปแล้วมันมันไม่สบายใจมันเกิดทุกข์ปัญหาการแผ่เมตตานั้นเน่ยถ้าหากในขณะที่เราจะแผ่ให้กับให้กับคนที่เกลียดได้หรือไม่ได้นั้นต้องดูว่าในขณะนั้นจิตของเราตั้งมั่นหรือไม่ ถ้าจิตของเราไม่ตั้งมัน่นอย่าพึงไปแผ่เมตตาให้คนที่เราเกลียดแต่ถ้าหากว่าจิตของเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยเข้าถึงความสงบได้อย่างแนบแน่นแล้วเนี่ยแผ่ให้กับตนเองได้จนเกิดความช่ำชองแล้วเนี่ยสามารถที่จะแผ่ให้กับบุคคลอื่นได้และในที่สุดจริงๆก็สามารถแผ่ไปให้กับบุคคลที่เราเกลียดได้นียนเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถามว่าเวลาว่า แผ่ไปให้กับบุคคลอื่นก็ดีเป็นให้บุคคลเกียิก็ดีเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือถ้าโทสะมันเกิดแล้วเราจะละยังไงท่านบอกว่าลำดับแรกเลยเนี่ยท่านสอนให้ว่าให้นึกถึงโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอวาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสเขาไว้เนี่ยตรัสบอกว่าคนที่โกรธคนที่โกรธตอบ บุคคลที่เขาแสดงความไม่ดีต่างๆนั้นชื่อว่าเรานั้นแย่กว่าเขา เ, เป็นผู้ที่บริโภคร่วมเป็นผู้ที่กินอาหารร่วมเขาอันเนี้ยโดยเฉพาะเนี่ยศัตรูเนี่ยถามว่าเวลาศัตรูเนี่ยเขาจะปรารถนาให้กับศัตรูด้วยกันเขาปารถนาอย่างไรเขาก็บอกขอให้มันมีผิวพันธ์ตามขอให้มันอยู่เป็นทุกข์ขอให้มัน ขัดสนจนยากขอให้มันอัตคัดต่างๆนั้นเป็นลักษณะของคนที่เป็นศัตรูกันแล้วก็นึกถึงกันและปรารถนาให้กันทีนี้ในขณะที่คนทั้งหลายเนี่ยหรือว่าเราเกิดไม่พอใจใครหรือคนทั้งหลายเ็าทำอะไรต่างๆให้กับเราเนี่ยถ้าเราไปอาฆาตพยาบาทนั้นชื่อว่าเราทำตามความประสงค์ของเขาพระพุทธเจ้าก็จะตาหนิว่า การที่เรากโกรธนี่เป็นการสร้างกรรมที่ลา ม, มกนะเป็นกรรมที่ไม่ดีนะเมื่อสร้างกรรมที่ลา ม, มกเป็นกรรมที่ไม่ดีแล้วไอ้ ก, กรรมที่ลา ม, มกหรือกรรมที่ไม่ดีนี่แหละจะเป็นปัจจัยทําให้ถึงทุกอบายทุกขติวินิบาตานรกถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วเอ๊มันไม่หายโกรธจะทํำยังไงถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วเอ๊มันไม่หายท่านบอกว่าให้พิจารณาทวารทั้งสาทั้งกายทวารวจีทวารมโนทวารคือเราดูคนคนนี้ ดูยังไงก็มันก็ยังละยังหะมันไม่หายโกรธไม่หายพยาบาทเราจะทํำยังไงท่านบอกว่าให้พิจารณาที่ว่ากายกรรมการแสดงออกทางกายเขาดีไหมคนคนนั้นเช่นว่าเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมเอ๊ะนี่กายกรรมเขาดีอ่ะสมมติว่ากายกรรมไม่ดีเลยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมคนคนนี้ดูว่าจีกรรมที่ เอกเต็มไปด้วยพูดเท็จส่อเสียดคาหยาบแล้วเพื่อเจออดูมโนกรรมนี้มโนกรรมโอ้เป็นคนที่จิตใจงามเป็นคนชอบเสียสละเขาบอกกันนั่นแหละดูทางด้านมโนกรรมเออเขายังมีดีหนึ่งส่วนนะถึงกายกรรมวิจีกรรมไม่ดีแต่มโนกรรมดีเห็นไหพิจารณาอย่างนี้เขาบอกว่าเมตตาจะเกิดได้เอาถ้าหากว่าพิจารณาอย่างถ้าหากไป ถ้ากายะไอ้มโนกรรมเขาก็ไม่ดีแต่ถ้าหากายกรรมก็ไม่ดีเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างอะกายกรรมไม่ดีเช่นว่ากายกรรมกับวจีกรรมเราไม่ดีแต่ดีเฉพาะมโนกรรมแล้วก็บอกเออเนี่ยคนคนนี้เขาเสียแค่ส่วนเดียวเนะี่เสียสองส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งดีนะให้พิจารณาดูทีนี้ถ้าบอกว่าคนคนเนี้ย กายกรรมก็ไม่ดีวัจจีกรรมก็ไม่ดีมโนกรรมก็ไม่ดีเราจะพิจารณาอย่างไงคือชั่วทั้งหมดเลยว่างั้นเถอะทั้งตัวนี่ไม่มีดีเลยอย่างเงี้ยเอ๊ะเราจะนึกยังไงเนี่ยจะนึกยังไงเราหาจุดดีไม่ได้เอาคนบางคนเนี่ยพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจือกายกรรมก็ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมมโนกรรมก็เต็มไปด้วยจิตใจที่เป็นมิจฉาทิฏฐิและพยาบาทปองร้าย โลภอยากได้ของเข้าเลยเซิร์เนี่ยเราจะบอกว่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีเราไม่ได้เนี่ยเหตุที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็คอยปิดบังเราอยู่ตลอดเวลาทําให้เราฆ่าสัตว์บ้างรักทรัพย์ บ, บ้างประพฤติผิดในกามบ้างพูดเท็จเป็นต้นบ้างสิ่งที่ไม่ควรได้เราก็ต้องมาได้ส่วนกายสุจริตวจีสุจริตและมะโนสุจริตนั้นเราไม่ได้ เหตุที่ไม่ได้อย่างนี้เพราะความปิดของอวิชชาคือความไม่รู้มันปิดบงังเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วบอกว่าเอออวิชชาคือความไม่รู้นี่พระบรมศาสด า, าติตื้อติเตียนนะเมื่อพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าสั่งสอนตัวเองอตถ้าหากสั่งสอนตัวเองพิจารณาอย่างนี้ท่านบอกยังละไม่ได้ท่านบอกให้พิจารณากรรมจัดทั้งหลายนะ่ยมีกรรมเป็นปัจจัยยมีกรรมเป็นแดนเกิดอย่างนี้เป็นต้น คนที่กระทำกายกรรมทั้งฝ่ายที่ไม่ดีอเหตุปัจจัยนั้นก็จะต้องนําให้เขาไปในทางที่ไม่ดีทำวิจีกรรมที่ไม่ดีเหตุปัจจัยนั้นก็ส่งผลให้เขาไปในทางที่ไม่ดีถ้ารัไม่ได้ท่านสอนให้สั่งสอนตัวเองสั่งสอนตัวเองบอกว่้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยควรประพฤติไงควรใส่ใจยังไงควรพิจารณาอย่างไร ทีนี้ถ้าไปเอาพิษเจรณาในลักษณะอย่างนี้คือว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีเราไม่ได้เนี่ยเหตุที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็คอยปิดบังเราอยู่ตลอดเวลาทําให้เราฆ่าสัตว์บางลักทรัพย์บงังประพฤติผิดในการบางพูดเท็จเป็นต้นบ้างสิ่งที่ไม่ควรได้เราก็ต้องมาได้ส่วนกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตนั้นเราไม่ได้ เหตุท yeah. mm. hmm. ี่ไม่ได้อย่างนี้เพราะความปิดของอวิชชาคือความไม่รู้มันปิดบังเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วบอกว่าเอออวิชชาคือความไม่รู้นี่พระบรมศาสดาติเตื้อติเตียนนะเมื่อพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าสั่งสอนตัวเองแต่ถ้าหากสั่งสอนตัวเองพิจารณาอย่างนี้ท่านบอกยังละไม่ได้ท่านบอกให้พิจารณากรรมสัตว์ทั้งหลายน่ยมีกรรมเป็นปัจจัยยมีกรรมเป็นแดนเกิดอย่างนี้เป็นต้น คนที่กระทำกายกรรมทางฝ่ายที่ไม่ดีเหตุปัจจัย น, iz iz นั้นก็จะต้องนำให้เขาไปในทางที่ไม่ดีทำวิจีกรรมที่ไม่ดีเหตุปัจจัยนั้นก็ส่งผลให้เขาไปในทางที่ไม่ดีหรือคนที่ทำมโนกรรมในทางที่ไม่ดีเหตุปัจจัยนั้นแหละก็จะเป็นปัจจัยทำให้เขานั้นเป็นไปในทางที่ไม่ดีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเเรียกว่าพิจารณาทางด้านของกรรมที่การกระทำออกทางกายทางวาจาและทางจิตใจ ท่าเมื่อเราพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านบอกว่าจะสามารถละได้ทีนี้ถ้าละไม่ได้โทสะจะทํำยังไงจะทำยังไงพิจารณาอย่างนี้มันก็ละโทสะไม่ได้ท่านบอกว่าให้พิจารณาจริยคุณชาติฟางก่อนของพระบรมศาสดาเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยในขณะที่ บำเพ็ญบารมีมีอยู่ชาตินึงนะพระบรมศาสดาบำเพ็ญบารมีเป็นคันติวาทีดาบทในขณะที่พระบรมศาสดาบำเพ็ญบารมีเป็นคันติวาทีดาบทใช่ไหมที่ไปพักที่อุทยานของพระเจ้าออกลาภูเนี่ยพระเจ้าออกลาภูเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบเสวยน้ำจันทร์คือชอบทานเหล้ากินเหล้าเมาแล้วก็อาฆาตพยาบาททีนี้ในวันนั้นน่ยก็ประพาสสูันอุทยาน พอแม่นางสนมกำ น, นันกินเหล้ามากก็เมาหลับไปพอตื่นขึ้นมานางสนมกำนันก็หายพอนางสนมกำนันหายไปแล้วแต่เอ๊ะหายไปไหนผลปรากฏว่าไปล้อมไปนั่งล้อมวงดาบดนี่ดาบดก็แสดงธรรมในชาตินั้นดาบดแสดงคันติบารมีคือปบรมเจริญคันติบารมี พอพูดถึงในเรื่องของขันติบารมีเนี่ยถามว่าที่นั่งกันอยู่นี่ไม่ทราบว่าใครเข้าใจคาว่าขันติมากน้อยเพียงไรนะถามขันติขอโทษนะจะสอนนักธรรมมาเยอะอธิบายขันติคืออะไร คันติเนี่ยคือความอดทนแต่ความอดทนที่เป็นขันตินั้นจะต้องมีอะไรรู้ไหมมีเมตตากํากับด้วยบางทีเราทนได้นะมีคนด่าเราเนี่ยเราโกโรธนะโกโรธเราไม่พอใจใช่ไม่พอใจแต่เราไม่แสดงตอบอย่างนั้นเชื่อว่ามีขันติหรือไมาเชื่อว่าไม่มีขันติไม่มีเลยนะนะแต่ว่าเราทนได้แค่นั้นเอง เพราะขันติถ้าเป็นขันติบา ร, รมีแล้วจะต้องเป็นขันติที่ไม่โกรธขันตินั้นจะต้องเป็นไปด้วยความไม่โกรธละความอาฆาตพยาบาทได้ลักษณะอย่างนั้นจึงจะเป็นขันติบา ร, รมีบางคนบอกว่าดีนะที่มีขันติถ้าไม่มีขันติเระพังไปแล้วแต่ที่จริงแล้วในใจเอเต็มไปหมดแล้วโอ้โหยดหงดหงิดทั้งวันบอกแม้วันนี้ดีนะบางทีเนะี่ยมียอมคนนึงรู้จักกัน เขาบอกท่านอาจารย์วันนี้ดีจริงๆริงอกทำไมเมย์เขาด่าโยอมบอกงั้นแต่แล้วเป็นไงด่าแล้วโยมดีในที่ยมมีขันติถ้าไม่มีขันติโอ้โหยมพังไปแล้ววันนี้วันนี้วันนี้พังไปแล้วถามแล้วโกรธโอ้โหยโกรธที่อาจารย์เพราไม่โกรธได้ยังไงอยู่ดีๆมาด่ามาว่าแรงตางเข้าใจผิดแต่ยังมาบอกเนี่ยบอกพระได้บอกมีขันติอย่างนั้นไม่ชื่อว่าขันติ นี่ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ขันตินะต้องเข้าใจนะเพราะลักษณะของขันตินั้นจะต้องมีเมตตากำกับอโทสะเจตสิกคือความไม่โกรธนั่นแหละชื่อขันติทีนี้ขันติจะเป็นบารมีได้หรือไม่นั้นขันตินั้นก็จะต้องถึงความพ่อภูมิถึงความเจริญอย่างต่อเนื่องเนี่ยดาบดบูนี้ท่านเจริญขันติบารมี เมื่อจเจริยนขันติบา ร, รมีไปที่ไหนท่านก็จะพูดในเรื่องของเมตตาอยู่เรื่องแล้วก็จะพูดในเรื่องของขันติธรรมกระเสิร์นขันติธรรมและท่านก็ยืนยันว่าท่านมีขันติจริงๆเหล่านางสนมกำนันของพระเจ้ากลาผู้ฟังแล้วก็ชื่นใจมีปีติยินดีฟังกันด้วยความปิติแต่พระเจ้ากรลาผู้ตื่นบรรทมขึ้นมาก็เดินนั้นเดินไปโกรธมากที่นางสนมกำนันไม่อยู่ มีอมาศเป้าอยู่คนสองคนตอนนั้นเองไปเห็นก็ไปชี้หนะ้าด่าว่าไอ้ดาบดเนี่ยเขบอกมาอยู่ทําไมแถวนี้มาทําอะไรดาบดก็บอกว่ากำมานะี่มาแสดงขันติธรรมแสดงขันติธรรมเจริญขันติธรรมเหมือนถามว่าพูดเรื่องขันติแล้วก็บอกว่าเจริญขันตินั้นน่ะตนเองมีขันติจริงหรือเปล่า ถามพระถามถามดาบทดาบทก็บอกว่าเมื่อพูดได้และเจริญอบรมมาขนาดนี้ได้ก็คือเป็นผู้ที่มีคันตินั่นเองอาตมาสารเสริญกันติในตานองอย่างนั้นน่ะนั่นไปนั่นมาก็มีการทรมานดาวบทพวกนี้ขึ้นมาโดยการเคี่ยนโดยการตัดมือตัดเท้าอย่างนี้เป็นต้นนะ่ะแต่ดาวบทนี้สามารถอดทนได้ การที่ดาบทนี้อดทนได้นั้นแสดงเห็นชัดว่ามีคันติลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าคันติธรรมแล้วโดนทรมานต่างๆนานาเนะพวกเราเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าจะตัดมือตัดเท้าใช่ไหมแค่มีใครเรานั่งกันอยู่ดีๆแค่มีใครมาชี้หน้าด่านี่ก็เพียงพอแก่การที่จะเกิดความโกรธแล้วก็ยังมีอยู่สมัยหนึ่งเนี่ย ที่นางจินเจมานาวิกาที่พระบระมาศ า, าสด า, าแสดงธรรมที่เชตวันเนยนางจินเจมานาวิกาเข้าไปก็ไปชี้หน้าใช่ไหมชี้หน้าแล้วก็บอกว่ามัวแต่สอนธรรมะอยู่ในเรื่องลูกในท้องว่างไงถ้า <c oughs> คนบางคนก็โกรธใช่ไหมโกรธในลักษณะอย่างเงี้ยหรือว่ามีคนด่าสารพัดอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ แสดงเห็้ะเรานึกถึงจริยคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นพระเจ้าเลยเนะี่ยแค่เป็นบุคคลที่บ่มเพนอบรมบา ร, รมียังมีความอดทนขนาดนั้นถูกตัดมือตัดเท้าก็ยังสามารถที่ไม่โกรธได้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าขันติขันติบา ร, รมีนี่เป็นไปเนี่ยแล้วถามว่าพิจารณาแค่นี้ยังไม่เพียงพอนะี ให้พิจารณาอีกอย่างก็คือว่าที่พระผู้มีพระภาคในดิตชาติเนี่ยนะในดิตชาติที่เกิดเป็นลูกของพระเจ้ามาหาปตาปกากนางจันทาเทวีที่ชื่อว่าธรรมปาละกุมารเนี่ยธรรมปาลกุมานตอนนั้นเน่เป็นเด็กที่เกิดได้เจ็ดเดือน พระดาบทของเราเนี่นะเกิดได้เจ็ดเดือนหลังจากที่คลอดนางจันทาเทวีคลอดลูกแล้วก็หวยลูกน่ารักรักลูกมากก็ดูแลอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนตามราดับจนครบเจ็ดเดือนเด็กเจ็ดเดือนเนี่ยแปลว่าเด็กนั้นน่ะมีจิตสำนึกบ้างระดับหนึ่งแล้วมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าเป็นดินเสด็จมานางจันทาเทวีไม่เห็นก็เลยไม่ได้ลุกขึ้นถวายบังคม ห่วงจะหยอกลูกรักลูกดูแลลูกอยู่นี้พระเจ้าจเป็นดินนึกยังไงเพราะมี ม, มีหลายคนเนี่ยนะมีลูกกับหลายคนตัวนึกในใจแม่นางนางคนเนี้หลงลูกจนไม่เห็นเราอยู่ในสายตาเนี่ดูความรู้สึกนี่คือคนมิชาทิดีินะบอกแม่หลงลูกจนไม่เห็นเราอยู่ในสายตาแล้วสั่งอัมมาดหรือสั่งทหารที่ติดตามมาด้วยบอกว่าให้ฆ่าเด็กคนนี้วิธีฆ่าทํำยังไงรู้ไหม ให้จับเด็กคนนี้โยนขึ้นแล้วก็ปลายดาบตั้งแปลว่าให้ตกลงในดาบนางจันเทวีจันทาเทวีร้องให้ <c oughs> อมัดก็ไม่กล้าทูล <c oughs> ขัดคำสั่งทีนี้ไม่กล้า <c oughs> ไม่กล้าขัดคำสั่งทีนี้ทำไง เด็กเด็กคิดยังไงรู้ไหม <c oughs> <c oughs> เด็กคิดว่าธรรมปาละกุมารเ อ, อ๋ยบัดนี้เธอไม่มีที่พึ่ง น, นให้วางใจเป็นกลางือสอนตนเองว่าในวาระเนี้ควรจะต้องเตือนตนเองแล้วก็ระลึกถึงทำจิตให้มั่นคงวางใจในบุคคลหนึ่งพราชบิดา 2. พระราชมารเออพระราชบิดาที่สั่งบอกว่าให้ตัดหวัวมันเสียนี่แล้วก็วางอย่าไปโท ม, มนัดอย่าไปน้อยใจหรือขัดเคืองใจว่าทำไมพ่อทำเราอย่างนั้นสองอย่าไปเสียใจหรือว่าสงสารแม่ที่กำลังร้องไห้อยู่ร้องไห้อยู่หรือว่าวางใจต่ออมาต ที่เป็นคนบอกให้ทหารอีกทีหนึง่งแล้วในขณะที่ทหารจับดาบแล้วก็โยนจะจ ะ, จะโยนเราขึ้นเราจะตั้งดาบวางใจเป็นกลางในสี่บุคคลแล้วตั้งจิตสงบเด็กเจ็ดเดือนให้นึกถึงในลักษณะอย่างนั้นแล้วแล้วก็ถามว่าแลวเหตุการณ์ที่เราเจอในปัจจุบันหรือคนคนนี้ที่ทำให้กับเราเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นเลยเด็กเล็ก ที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังยังทำได้แค่นั้นยังสามารถกระทำได้ขนาดนั้นแล้วเราล่ะที่ประกาศตนเองว่าเป็นเป็นผู้ที่นับถือพระบรมศ า, ศาสดาเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพุทธบริษัทเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาที่ประกาศตนเองเป็นผู้ยอมรับคําสอนของพระาศาสดา นึกถึงจริยาคนนึกถึงข้อวัดต่างๆที่พระบรมาศาสดาได้เคยบำเพ็ญเพียรมาเลยให้นึกอย่างนี้ท่านบอกว่าจะสามารถที่จะละความโกรธได้แต่ถ้าหากว่าละไม่ได้จะทํำยังไงคิดอย่างนี้แล้วก็ยังละไม่ได้อยู่นั่นเลยท่านบอกให้พิจารณาถึงตอนที่พระบรมาศาสดาของเราสเสวยประชาติเป็นศาสว์เดรัชฉานน่ย เป็นพยาช้างเนี่ยยกตัวยกอย่างเป็นพยาช้างฉัาดพันเนี่ยขนาดเป็นช้างนะที่นายพาลไปดักไปขุดหลุมเข้าไว้ข้างล่างแล้วต่อมาก็ใช้ลูกศรใช้ธนูใช้อะไรหอกแทงช้างเพื่อจะเอางาทั้งๆ ท, ท, ที่ตนเองจับในพาล น, นั้นดึงขึ้นมาได้ใช้งวงะนะกระทืบไอ้พื้นแตกแล้วก็เอาใช้งวงจับขึ้นมา จะฆ่าตายก็ได้แต่ด้วยความว่าถ้าเราฆ่าคนตายเนี่ย <c oughs> การที่จะได้ตดรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตยากจริงๆฉะนั้นจะเป็นเขางั้นจึงระ ง, งับไะระงับแล้วก็แล้วก็ถามว่าป่าถนาอะไรว่าป่าถนางาแค่งาแค่เนี้ยทําไมไม่ขอเราดีๆทําไมต้องมาทําร้ายเราขนนี้ใช่ไหม ถามว่าถ้าเราเนี่ยมีคนที่บอกว่าต้องการทรัพย์สมบัติทั้งๆ ท, ที่เรามีมากมายแต่ว่าเขาเข้ามาปทุ์สลายเราถามว่าเราจะคุยเขาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้ไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาว่าขอดีๆก็ให้มันยากยนะลักษณะขนาดสัตว์ดิบดฉานยังทําได้ขนาดนั้นท่านบอกให้พิจารณาอย่างนั้น เมื่อพิจารณาอย่างนั้นเราก็จะสามารถไม่โกรธบุคคลนั้นที่กระทำปัทธร้ายกับเราได้หรือด่าเราว่าเราหรือเป็นเวรกับเราไงนะแา่ถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้ยังไม่หายท่านบอกให้พิจารณาเรื่องของสังสารวัฏพิจารณาเรื่องสังสารวัฏก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเขาเอาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นน้องชายไม่เคยเป็นน้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นทิดา มิใช่หาได้ง่ายพระบรมศาสดาใช้สัพพัญญตยานมองนะในสังสารวัตรเนี่ยอันยาวนานเหลือเกินเนี่ยดูทุกโลกนะทั้งกรรมภูมิรูปภูมิมรูปภูมิทั้งอบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกเทวภูมิอีกรูเทวภูมิอีกหกแล้วก็รูปภูมิอีกสิบห้ารูปภูมิสี่เนี่ยดูทุกภบทุกภูมิแล้วบอกว่า สัตว์ที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่ญาติปู่ญาตายายหรือเป็นพี่น้องกันนั้นหาได้ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วดูก่อนพิสษุทั้งหลายสัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นน้องชายไม่เคยเป็นน้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นพี่ดานีใช่หาได้ง่าย พระบรมศาสดาใช้สัพพัญญตยานมองนะในสังสารวั่ยอันยาวนานนี่นเลยดูทุกโลกนะทั้งกรรมภูมิรูปภูมิมรูปภูมิมทั้งอไสภูมิตีมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกเทวภูมิอีกเทวภูมิอีกหกแล้วก็รูปภูมิอีกสิบห้าอรูปภูมิตีเนี้ยดูทุกคพบทุกภูมิแล้วบอกว่า จัดที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่ญาตปู่ญาติตายายแล้วเป็นพี่น้องกันนั้นหาได้ในง่ายก็แสดงว่าล้วนแต่เคยเกี่ยวดองกันมามากมายแล้วเกิดเมื่อพิจารณาอย่างนี้สมมุติเราโกรธคนคนนี้อยู่เนี่ยอาจจะเคยเป็นพ่อเราเมื่อชาติที่แล้วเราจะทําทําไมเราโกรธพ่อขนนั้นที่ท่านพิจารณาอย่างนั้นอะมาบางทีมาชาตินี้นะ ทำไมเราโกรธแม่ทำไมเราโกรธลูกทำไมเราโกรธสามีภรรยาทำไมถึงโกรดน้องหญิงน้องชายโกรธทำไมที่เราโกรธเพราะเรามองไม่เห็นเนี้ยเรามองไม่เห็นในชาติที่แล้วไงแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอย่างนี้นะีเอาลัทว่าระกาศตนเองว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราเชื่อพระองค์เนี่เราศรัทธาในคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ทําไมถึงโกรธ ใ้เรให้เตือนใจตัวเองอย่างนี้อ้าวถ้าเตือนอย่างนี้แล้วเไม่หายทํำยังไงอนนี้สงฆ์อนนี้สงฆ์สิบเอ็ดอย่างอ่ะหลับเป็นสุกตื่นเป็นสุกไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เทวดารักษายาพิษต่างๆก้ํากรายไม่ได้ติดเร็วแล้วก็ไม่หลงทําการกิริยา อันนี้สงสิบเอดอย่างจะไม่ได้เนี่ยถ้าเราโกรธอยู่อย่างเนี้ยไม่มีทางได้เลยหลับก็จะต้องเป็นทุกข์ตื่นก็จะต้องเป็นทุกข์ฝันก็เจ้าร้ายเทวดาก็ไม่รักษาไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไม่เป็นที่รักของอมนุษย์และจิตก็ไม่ตั้งมัน่นจิตก็จะก้ตสายอยู่อย่างเนี้ยและในที่สุดจริงๆก็หลงตายด้วยเพราะเราจะไม่ได้อา น, นิสงส์เลย ยังจะโกรธไหมโกรธแล้วมันทําลายใครนะทําลายตัวเองนะพิจารณางั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ไม่หายจะทํำยังไงท่านบอกให้พิจารณาโดยการแยกธาตุเอาแยกยังไงการแยกธาตุนั้นก็คือดินน้ําไฟลมเนี่ยในร่างกายของพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่ประกอบไปด้วยดินน้ําไฟและลมสรุปก็คือว่าในส่วนของ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนื้ออาการสามสองหรือจะมองไปเห็นด้วยความเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะก็ไดทีนี้ที่มองเห็นชัดๆก็คือว่าดินน้าไฟลมเนี่ยมีเป็นดินน้าไฟลมทีนี้ถามว่าเมื่อเห็นโดยความเป็นดินน้าไฟลมที่ตอนแรกที่พูดในเรื่องของสมมติเราสมมติครอบ ปรมัดคือสภาวะาสัจจ์อยู่ด้วยความเป็นจริงหนึ่งเหมือนกับพระที่นั่งกันอยู่สมณีนที่นั่งกันอยู่หรือแม่ชีนี่เขาเรียกว่าท่านี่เขาเรียกสมมุติสิสงอย่างนี้เขาเรียกว่าสงโดยสมมุติแต่คําว่าสมมุติสิสงเนี่ยต้องปฏิบัติจริงๆนแต่สมมุติขึ้นมานั้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ใช้สมมุติสิสเนี่ย ก็จะเดินเข้าหาความจริงถึงสภาว่าความจริงถ้าหากว่าไม่ไม่มีสมมุติตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ความจริงเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นในลักษณะที่เราพิจารณาดูแยกดูว่าดินน้ำไฟลมในร่างกายของพวกเราเนี่ยแท้ที่จริงมันประชุมรวมกันอยู่แค่นั้นเองเมื่อดินน้ำไฟลมนี่มันแตกกระจายสลัดไอ้สลายไปแล้วเนี่ยความเป็นคนเป็นตัดเป็นบุคคลมันไม่มีเลย ฉะนั้นกรณีที่เราโกรธเนี่ยเราโกรธอะไรเราโกรธผมใช่ไหมขนใช่ไหมเล็บใช่ไหมฟันใช่ไหมเป็นต้นเนี่ยนะไปไร่พิจารณาดูแล้วเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่มีคนในนั้นอยู่จริงๆเลยเยมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ละไม่ได้ประการสุดท้ายท่านสอนให้แบ่งปันเช่นถ้าเราโกรธใครเนี่ยก็มีเรื่องเล่ากันไว้พิสุสองรูปโกรธไม่พอใจกันพิกษุอีกรูปหนึ่งเนี่ยพอออกพรรษาแล้วมารดา บิดาเอาบาทจีวร อ, อย่างดีมาถวายท่านได้บาทอย่างดีแล้วก็เลยมาตำบลิตว่าเเราขัดเคืองกับภิกษุรูปหนึ่งอยู่อยากกันนั้นเลยก็บอกเอาบาทใบเนี้ยไปถวายท่านน้อมใจเป็นเมตตาแล้วถวายพอท่านองนั้นรับบาทท่านองนั้นก็ขัดเคืองนะองค์ที่ไปให้ก็เคยขัดเคืองกันอยู่แต่ความขัดเคืองเนะี่ยหายไปสิ้นเลยว่าไงนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้าอย่างไรไม่หายประกาศสุดท้ายท่านสอนว่าให้นะ โกรธใครหารของไปให้เขาช่วยจะเป็นปัจจัยแห่งการละความโกรธได้ทีนี้ขอย้ําตรงนี้นิดนะว่าการเจริญอบรมเมตตานั้นเป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่บุคคลที่มีเวลาน้อยอย่างพวกเราทั้งหลายเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือที่สนใจฟังว่าธรรมกันเลยรก็นีต้องศึกษาเมตตาให้เข้าใจให้ท่องแท้แล้วไปอบรมไปเจริญ ในขณะที่เราไปนั่งอยู่ที่ตรงไหนก็ได้หรือว่าไปทํากิจอะไรอยู่ให้น้อมนึกถึงตนเองก่อนแล้วก็เจริญเมตตาขอให้เข้าไปเจ้าพ้นจากทุกข์ขอให้เข้าไเจ้าพ้นจากเวรภัยเป็นต้นเนี่ยขอให้เข้าไเจ้าพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยพิจารณาไปอย่างนี้น้อมอย่างนี้เป็นบัญญัตินนะไม่ใช่ปรมาจิตไม่ใช่ไปเห็นตามความจริงโดยกรรมฐานแต่เมื่อเรามีเวลาหลังจากปกติอย่างนี้แล้วเบสเสร็จ ถ้าเราจะเจริญกรรมฐานที่เกี่ยวข้อในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานที่เกี่ยวกับเมตตานี่แหละจะเป็นปัจจัยเกาะต่อเนื่องทําให้กรรมฐานของเรานะรั้นเจริญขึ้นง่ายและในที่สุดจริงๆก็คือเป็นปัจจัยแห่งการเข้าถึงความจริงตามสภาวะสัตจ้าได้อย่างแท้จริงนี่เป็ น, ปนไปในลักษณะอย่างนี้ลองหมั่นเจริญและอบรมดูนะและจะเห็นความต่างต่างคื อ, อยังไง ร, รู้ไหมจุดต่างที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อเจริญแล้วอบรมทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยที่ต่างก็คือว่าหนึ่งจิตใจของเราจะเยือกเย็นมากขึ้นและการปารบกรรมฐานจะง่ายขึ้นและและที่ที่สิ่งดีๆที่จะตามมาก็คือว่าที่เห็นได้ชัดก็คือว่าการมองสิ่งรอบตัวเนี่ยความขัดเคืองจะหายไปหมดเลยและคนที่อยู่กับเราก็จะเยือกเยน็นแล้วก็จะมีความสุขด้วย เออจะเป็นไปในลักษณะย่างไ้ฉะนั้นในขณะที่เราอยู่ข้างนอกในโอกาสที่ยังไม่ได้มาปา ร, รบกรรมฐานอย่างอื่นเมตตากรรมฐานนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเจริญและอ บ, อ, อ, นน อ, อบรมอย่างต่อเ น, นื่องเมื่อเจริญอบรมอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยเมื่อเรามาปา ร, รบกรรมฐานบทใจบท่งจะเป็นบัจจัยส่งเสริมทำให้การเจริญกรรมฐานไปได้เร็วนะเวต่อไปนะจะให้พวกเรานั้น จะให้พวกเราฝึกในการเจริญกรรมฐานกันเบื้องต้นนะกรรมฐานเบื้องต้นก็คือกรรมฐานที่เป็นสพัพพะกะกรรมฐานเนะี่ยสัพพะกะกรรมฐานมีวรณสติเมตตาและอสุภาแต่ในที่นี้จะให้พวกเราฝึกในการเจริญเมตตากันนะที่ถูกต้องตาม หลักที่ท่านแนะนำไว้ในวิสุทธิมรรคเดี๋ยวให้เราปนมมือกันขึ้นก่อนนะเนี่ยนะตั้งนโมขึ้นสามจบเนะี่ยพร้อมๆกันเขาเชิญว่ า, วา นี่เป็นคำกล่าวนอบน้อมนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แค่นั้น น, นะน่เอามือลงนละในลักษณะของการเจริญเมตตานั น, นะหลังจากที่พวกเรากล่าวคำนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอรหันต์สำ ม, มาสัมพุทธเจ้าตัทรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนะขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนะในการที่จะเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะเมตตาเนี่ยก็เป็นสพัพพะถากกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เจริญได้ในที่ที่ทุกโอกาสอย่างพวกเราอยู่กันชุมนุมกันอย่างนี้นะก็เป็นการเจริญเป็นเบื้องต้ น, นย ผลผลไม่ได้หวังอะไรมากมายนะเพียงจะทําว่าทํายังไงจิตของเรานั้นจะน้อมก็สู่เมตตาที่ถูกต้องได้นะเราจะโดยมากเลยท่านจะสอนให้ให้หลับตาถ้าเราทําเป็นกิจจะนะแต่ถ้าหากว่าเราทํากิจธุระอย่างอื่นก็น้อมจิตให้เป็นเมตตาอย่างเดียวก็เพียงพอเนละแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าเมตตานั้นเป็น สภาวะของความเอือ้อทอนความปราถนาดีความรักความรักที่เป็นไปในส่วนของเมตตานั้นจะต้องเป็นความรักที่ไม่เจือด้วยตัณหามานะและทิฐิและจะต้องเป็นเมตตาที่จิตเรานั้นะเอื้อหมอกไปจริงๆอันดับแรกจริงๆนั้นท่านสอนให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองการแผ่เมตตาให้กับตัวเองนั้นน่ยต้องต้องบริกรรม เ, เดี๋ยวเราปนมือขึ้นนะนะปนมือขึ้นนะหลับตาเดี๋ยวอาตมาจะนำนะอาหังอเวโรโหมิขอข้าพเจ้าจงพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกอาหังอพยาปโชโหมิขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีคุยตกกังวลอาหางอังอนีโคโหมิขอหให้ข้าพเจ้า<อ>ไม่มีความลำบากกายลำบากใจอาหางสุขีอัตานังปริหารามิขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีอัตภา พ, ภาพความสุขกายสุขใจขใขใตลอดกาลนานห ล, ลับตานวางมือลงนะแล้วให้บริกรรมนึกอย่างเนี้ยอหังอเวโรโหมีแต่ภาษาบาลีไม่ได้ก็บอกว่าขอข้าพเจ้าจงพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอก ขอข้าพเจ้าจงพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกน้อมจิตนึกถึงตัวเองเอาความปรารถนาดีความรักความปรารถนาดีให้กับตัวเองอ่ะนีแล้วก็บอกว่าขอข้าพเจ้าจงพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีความวิตกกังวลเร้าโศกเสเียใจอ่ะนยแล้วก็ขอข้าพเจ้าจงผู้เป็นผู้ไม่มีความลาบากกายลาบากใจ พ้นจากอุ อ, อุปัถวาทั้งหลายแล้วก็วขอข้าพเจ้ารักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนะให้ให้บริกรรมในลักษณะอย่างนี้นึกถึงตนเองแล้วก็น้อมจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้พ้นจากความเศร้าโศกเสียใจ ขอหเข้าไเจ้าพ้นจากความลำบากกายลำบากใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดนะปริกรรมแล้วก็ใจน้อมนึกถึงตัวเองตลอดแล้วก็แล้วก็อย่าไปบังคับนะปล่อยจิตให้ค่อนข้างที่จะอย่าไปฝืนอย่าไปทวนกระแส ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาให้กับตนเองค่อยๆน้อมใจนะอย่าไปฝืนถ้าฝืนแล้วจะทำให้จิตของเรานะแข็งแล้วก็จะเกิดการต่อต้านขึ้นมาเนี่ยเหตุที่ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองอย่างนี้ก็เพราะว่าปรารถนาให้ทราบข้อเท็จจริงว่าความรัก ต, น เ, น, น, กตนเองนมะีจริงๆนั่นแล้วรักตนเองรักมาก รักอย่างบริสุทธิ์ใจรักอย่างไม่มีข้อสงสัย น, นะนะรักสุขเกลียดทุกข์จริงๆนะให้ระลึกว่าคอยเข้าไปเจ้าพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกเพราะชีวิตของพวกเรานะี่ยนะมากไปด้วยศัตรูนะทั้งภายในก็คือกิเลสทั้งหลายเยอะแยะไปหมดนะศัตรูภายนอกก็ไม่รู้ว่าภัยวิบัติต่างๆไม่ทราบว่าพวกเราทั้งนั้นจะประสบได้อย่างไร ฉะนั้นชีวิตของพวกเราที่รอดพ้นมาได้จนถึงขณะปัจจุบันเนียไม่ธรรมดาก็าแสดงว่าถ้ากุศลไม่ดีไม่มีโอกาสนะที่จะมาฟังรรมาศึกษาทรมาปฏิบัติมาน้อมใจนะในการระลึกเนี่ยฉะนั้นพยายามแผ่ความรู้สึกดีๆนะให้กับตัวเองเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจิตนั้นจะแวบไปทางอื่นบ้างก็ค่อยๆน้อมกลับมาใหม่ถือว่าเป็นธรรมดาของจิตอย่าได้หงุดหงิด ในขณะที่เราน้อมจากธรรมดาของเขาเป็นอย่างนั้นนะนะท่านยังอุปมาเหมือนลิงนั่นแหละไม่เมีไ ม, ไ ม, ไม่ต่างกันเลยจิตนั้นย่อมจะซัดสายย่อมจะซัดสายย่อมจะฟุ้งซ่านต่างๆเป็นเรื่องธรรมดาถ้าจิตไม่ฟุ้งจิตไม่ซัดสายไม่เรียกว่าจิตแล้วธรรมชาติจิตนั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะของเขาอย่างนั้นฉะนั้นให้พิจารณาให้ใส่ใจและน้อมใจมาตลอด ว่าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากความวิตกกังวลความเศร้าโศกเสียใจขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากไม่มีความลําบากกายไม่มีความลําบากใจพ้นจากอุปัทวะเหตุต่างๆขอให้ข้าพเจ้ารักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนะแพ่ความรู้สึกให้กับตัวเองนี้ เมื่อแผ่ความรู้สึกให้ตนเองได้ระยะหนึ่งอย่างนี้แล้วเนะี่ยต่อไปก็ให้แผ่ไปให้กับคนที่เราเรารักธรรมดานะที่เป็นเพื่อนเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะให้น้อมใจไปเหมือนกันบอกว่าขอให้บุคคลที่เรารักนะแผ่ไปให้สัตว์ทั้งหลายันนะ ตทั้งหลายเช่นว่าแผ่ไปให้เพื่อนหรือให้คนที่เรารักว่าขอให้คนที่ข้าพเจ้ารักจงพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอให้คนที่เรารักอย่าได้มีความวิตกกังวลขอให้คนที่เรารักอย่าได้มีความลำบากกายลำบากใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนี่นะีแผ่ให้คนที่เรารัก แล้วก็แผ่ไปได้วยความรู้สึกที่จริงใจเนี่ยนี่ลักษณะอย่างนี้คือแผ่เมตตาแต่เมตตานั้นจะต้องไม่ยึดนะต้องรับอุปาทานให้ได้นะอย่าไปจํากัดลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาทําจิตให้มีความพองใสให้มีความเอิบยิ้มไม่มีความชื้นบานิดนึงแล้วก็ค่อยๆแผ่นี่เขาเรียกว่าแผ่ให้กับบุคคลอื่นก็ในทํานองเนี่ยเอาตนนั่นแหละเป็นพยาน รักสุขเกียรติทุกชั้นใดคนอื่นก็รักสุขเกียรติทุกชั้นนั้นฉะนั้นเมื่อแผ่เมตตาตนเองจนจิตนั้นเข้าถึงสมาธิระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจึงค่อยน้อมใจแผ่ให้กับบุคคลอื่นปรารถนาดีกับบุคคลอื่นการฝึกในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานเบื้องต้นจะทําให้จิตของเราเนั้นเข้าถึงสมาธิได้ระดับ1สมาธิได้ระดับหนึ่ง เป็นการฝึกหัดว่าทำยังไงน้อเนี่ยจิตของเราจะน้อมก็าหาคําสอนได้ดีที่สุดเพราะเมตตากรรมฐานเป็นต้นเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เป็นเบื้องต้นนะนี่อันที่จะทําให้จิตของเราเนั้นน่ะน้อมน้อมได้ถูกต้องน้อมก็าหาธรรมะได้ถูกต้องถ้าไม่ฝึกหัดตรงนี้หรือไม่พยายามน้อมจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยปัจจัเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ย เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หงดหจิ ด, ดเดี๋ยวก็ฟงซ่านเนี่ยพยายามน้อมเนละน้อมจิตนี่เขาเรียกว่าลักษณะของการแผ่เมตตาบอกว่านี่คือแผ่บางคนมีพ่อมีแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็แผ่ไปให้ว่าขอให้แม่จงพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกก็ได้ไนหะขอให้พ่อจงพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกเห็นไหมก็แผ่ได้ ขอให้พ่อและแม่จงผู้ไม่มีวิตกกังวลอย่าได้มีความพยาบาทอาฆาตปองร้ายนะขอให้พ่อและแม่มีความสุข ก, กายสุขใจขอให้พ่อและแม่เนี่ยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอแผ่ให้พ่อแม่อย่างนี้ก็ได้แผ่ให้ครูบาอาจารย์ก็ในทํานองอย่างเนี้ยพยายามระลึกแต่อย่าให้สับสนอย่าให้ฟงจิตต้องเป็นเมตาก่อนจริง แต่ถ้าจิตไม่มีเมตตาอย่าไปแผลนะไม่เกิดประโยชน์นะอ น, นิสงค์ของการแผ่เมตตามีมากจิตจะสงบขึ้นหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษานะอมนุษย์รักเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์แล้วก็พ้นจากพยานอันตรายต่างๆนะจิตสงบได้เร็ว แม้ในที่สุดก็คือไม่หลงทำการกริยาแล้วก็เป็นบาตรในการที่จะทําให้จิตนั้นน่น้อมนำเข้าหากรรมฐานมีสติปัฏฐานเป็นต้นนั่นนะได้ดีที่สุดน่ยขั้นยังเรียกว่าเป็นสัพพัทธกะกรรมฐานกรรมฐานที่จำป่ารถนาในที่ท้งปวงจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นจิตต้องน้อมนะต้องน้อมเข้าหาเมตตาให้ถูกต้อง ถ้ารู้ว่าเมตตาหมดนะก็กลับมาแผ่ให้กับตัวเองใหม่นะหมายความว่าจิตของเราเนะี่ยมันไม่มีเมตตาเข้าประกอบแล้วนี่ก็ให้ระลึกปรารบของตนเองะนะแล้วก็แผ่ความรู้สึกที่ดีขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอให้ข้าพเจ้าจงผู้เป็นผู้ไม่มีความวิตกกังวลเนี่ยนะนะแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากมีแต่ความ พ้นจากความทุกข์กายและทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถนะิพยายามระลึกถึงคำสอนระลึกถึงแผลเมตตาอย่างนี้ให้มากจิตนั้นก็จะได้ประกอบไปด้วยเมตตาอย่างแท้จริงถ้าจิตไม่ประกอบไปด้วยเมตตาแล้วเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าถ้าเมตตาปรากฏเกิดขึ้นทั้งปีติก็เกิดความเอิบอใมก็เกิดที่เป็นไปในส่วนของกุศลจริงๆ แล้วก็จะไม่เพียไม่เครียดยถ้าจิตเราประกอบไปด้วยเมตตานั้นไม่ว่าจะเป็นการทํางานประกอบอะไรต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าจิตใจนะั้นนะเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขจริงๆเข้าถึงความสงบและความสุขจริงๆนี่แค่ระดับเมตตาพื้นฐานเบื้องต้นนะเนี่ยต้องค่อยๆน้อมใจแล้วค่อยๆฝึกเพื่อให้เกิดให้จิตนะั้นะเกิดภาวะที่มีเมตตาอย่างแท้จริงนะนี ทีนี้เกี่ยวในเรื่องของเมตตาเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเข้าใจในการเจริญในการอบรมเ่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นกุศลค่อนข้างที่สูงขึ้นมากว่าฌานกว่าทานกว่าศีลที่สูงนั้นก็เพราะว่าในขณะนั้น เ, นเราเข้าใจว่าเมตตาเนี่ยเป็นความรักความปรารถนาดีจริงๆรินะ ที่บอกความรักความปาารถยาดีจริงๆก็เพราะว่าสภาวะของเมตตานั้นน่มันต่างกันถามว่าเมตตาต่างจากอะไรก็ต้องบอกเมตตานั้นน่ลักษณะของเขาก็คือว่ามีความเป็นไปทางกายทางวาจาใจในอันที่จะยังประโยชน์ให้กับสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะทีนี้เราแผ่ความเมตตาหรือความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเองเรารู้ได้ว่าเมตตาจริงๆเกิดหรือไม่ก็คือว่า ความเป็นไปในลักษณะของเมตานั้นเป็นแค่ไหนว่าเป็นเมตตาจริงไหมหรือว่าเป็นตันหถทารักตัวเองแบบแบบตันหามันก็มีอย่างเช่นเข้าไปรักแบบประเภทที่ปรารถนาแล้วก็ยึดถือทารักในลักษณะอย่างนั้นก็จะเป็นตันหาแต่เมตตานั้นคือเป็นความปรารถนาดีว่า ให้เราพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกที่ปรารถนาตั้งเจตนาที่ดีให้กับตัวเองอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์แต่การที่ว่าจะนําร่างกายของเราเนี่ยในการที่จะประพฤติประโยชน์ไม่ว่าจะประโยชน์ทางกายทางวาจาและใจเป็นต้นที่จะกระทําให้กับสัตว์อื่นบุคคลอื่นน้อมจิตไปเพื่อปรารถนาดีกับเขาอย่างแท้จริงให้กษัตริย์อันเป็นที่รักอย่างแท้จริงไงนะ ในขณะนั้นนะชื่อว่าเราจเจริญเมตตาจะสังเกตได้ว่าคนที่มีเมตตามากเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เป็นที่รกักเป็นที่ชื่นใจแล้วก็เป็นที่เบากายเบาจิตแก่บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดจิตก็ไม่งหงุดหงิดไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่วิตกกังวลเนี่ยพอเมตตาเกิดขึ้นเนะ่ยเพราะว่าอะไรเมตตานั้นจะมีการบําบัดความแค้น ความพยาบาทเนะ่เป็นอาการปรากฏเจริญเมตตามากๆแตะความแค้นก็ดีความพยาบาทก็ดีจะค่อยๆลดลงลดลงนะจนในที่สุดก็แทบจะไม่เกิดหรือเกิดก็น้อยที่สุดถ้าคนที่จเจริญอบรมเมตตาอยู่เนืองนิดนะจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นแลวก็บอกว่ามีความสงบความพยาบาทลงได้นะเป็นเวลานานๆเลยทีเดียว เมตตาจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ต้องดูตรงนี้ดูว่าสามารถสงบระงับพยาบาทได้นานไหมถ้านานมากคือแทบจะไม่เกิดเลยบางคนก็แสดงว่าเมตตานั้นนะ่ะมีผลสมัยก่อนเราอาจจะเจริญเมตตากันไม่ถูกนะเพราะเวลาเราเจริญเมตตาเนี่ยเมตตาเนี่ยมันก็ผิดบ้างถูกบ้างเพราะเราไม่เข้าใจว่าเมตตาที่แท้จริงเนี่ยคืออะไร เมตานั้นต้องเป็นจิตที่เป็นกุศลด้วยและก็เป็นความปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยค่าศึกของเมตาก็คือราคะความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสความยึดมั่นเป็นต้นเนี่ย น, นะอันนั้นน่ะค่าศึกอีกอย่างหนึ่งก็คือพยาบาทความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความจองความผูกโกรธนี้เป็นต้นนั่นามาคาดเนี่ย อันนี้ก็เป็นค่าศึกเหมือนกันทั้งความกำหนัดในการบคุณทั้งความพยาบาทในการบัคุณเนี่ยนะร่วนแต่เป็นเหตุของเออเป็นเป็นตัวศัตรูของเมตตานะเป็นตัวศัตรูของเมตตาฉะนั้นต้องวางจิตให้เป็นเมื่อวางจิตให้เป็นแล้วเนะี่ยเมตตาก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเมื่อเมตตาเกิดขึ้นมาได้แล้วเนะี่ยความอาฆาตเคียดแค้น ต่างๆก็จะค่อยๆลดลงจิตใจก็จะสงบมีความสุขแล้วเขมีปีติในการที่พวกเราทั้งหลายได้เจริญเมตตากันอย่างแท้จริงนะถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วเวลาเราประกอบการงานแค่เมตตาเราทําได้เล็กๆในน้อยเนะีเราอยู่ที่ไหนทําอะไรเราก็เจริญอบรมเมตตาเจริญเมตตาอยู่เนืองนิดเลนะีนะ่ยลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าทําตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เริ่มที่จะหันหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้าได้บ้างแล้วเนะีเริ่มต้นว่าเ อ, อเริ่มจะคําทางถูกเพื่อจะเป็นฐานในการที่จะทําให้พวกเรานั้นศึกษาเร้าเรียนประพฤติปฏิบัติให้ถูกทางยิ่งขึ้นไปถ้าเจริญเมตตาอบรมเมตตาให้เนืองนิดแล้วเนี่ยเมตตานั่นแหละจะเป็นอุปการะในอันที่จะทําให้เรานั้นได้คุณธรรมเบื้องสูงนะจะเจริญ ในสีลในสมาธิในปัญญาเบื้องสูงได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าเมตตาน้อยเมตตาไม่ค่อยเกิดหรือว่าเจริญก็ไม่ถูกก็จะเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคในการที่จะทำกุศลต่างๆมีการศึกษามีการฟังมาทำเป็นต้นน่นะฉะนั้นจิตต้องประกอบไปด้วยเมตตามันฝึกฝนในขณะที่เรามีกิตมีตุระอะไรต่างๆอย่างนี้นเป็นต้นก็ต้องค่อยๆฝึกฝนแล้วก็อบรมเพื่อให้เกิด กุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวต่อไปจะหยุดเสียงนะให้จักเล็กน้อยให้บริกรรมไปเรื่อยๆเนาะขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกกายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเอาแล้วประนมมือขึ้นนะนะ อาพนื่ออาวาดามสัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพญาปัจชา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งบนขุศลที่ข้าพเจ้าบาเพ็ญแล้วในวันนี้จง เ, เป็ น, น, น, ปนราวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงนนให้เกิดปัญญายานทั้งชาตินี้และชาติหน้ า, า, น า, นาจนถึงความพ้นทุกข์คือพันิพานเทินสาทุ